ในสมัยพุทธกาลมีพรามณีพรามณีนี่ก็หมายถึงพรามผู้หญิงหรือว่าเมียของพรามก็ได้นะชื่อธนัญชานีเป็นคนที่มีฐานะดีและชีวิตของเธอก็รู้สึกว่าราบรื่นนะเธอก็เลยคิดว่าเนี่ยเราเองนี่เป็นคนเก่งนะ สามารถรักษาใจไม่ให้ทุกร้อนนะไม่มีเรื่องเดือ น, นอร้อนใจเลยก็หลงภูมิใจในตัวเองแล้วก็ไปเล่าไปอวดให้ใครต่อใครฟังว่าฉันแน่นะฉันรักษาใจได้ดีก็มีนางทาสีคนหนึ่งเนี่ยนางทาสีก็คือนางท่าแต่นะ ได้ยินแล้วก็คงอยากจะลองของนะวันหนึ่งก็เลยแก้งนอนตื่นสายพอนอนตื่นสายก็ไม่มีใครมาตักน้ำให้นางพรามณีเนี่ยได้ล้างหน้านะได้เช็ดตัวนางตื่นขึ้นมาไม่มีน้ำนะล้างหน้าก็ไม่พอใจนะ ถึงกับว่าถึงก็โกรธเลยนะแล้วก็ด่าว่านางทาสีนะว่าทำไมตื่นสายนะไม่รู้จักหน้าที่่างตัวหรือไงก็นะเรียกว่าน็อตหลุดเลยนางทาสีก็เลยชี้ให้นางธนัญนชาี้ได้รู้ว่าเนี่ยที่จริงที่ว่าตัวเองไม่มีอะไรทุกร้อนเนี่ยนะ มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าตัวเองเก่งอะไรหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าทุกอย่างรอบตัวนะมันราบรื่นแล้วก็มีคนมีบริษัทบริวารอรับใช้นะดูแลเธออย่างดีถ้าหากว่ามันเกิดมีอะไรขุกขลักขึ้นมานิดหน่อยเนยะเธอก็อเสียศูนย์ทันทีหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะ ก็คือว่าพอชีวิตราบรื่นแล้วก็รู้สึกว่าสุขสบายดีนะก็นึกว่าเออฉันนี่นะเก่งฉันนี่แน่คนเหล่านี้เนี่ยเวลามีคนชวนไปปฏิบัติธรรม mm hmm. เขาก็ไม่เห็นว่ามันจะจำเป็นตรงไหนเลยเพราะว่าฉันก็สบายดีอยู่แล้วนะแล้วฉันก็ ดูแลจิตใจหรือว่ารักษาใจฉันได้ดีอยู่แล้วไม่เนต้องไปปฏิบัติธรรมเลยฉันก็มีความสิกดูแล้วไปปฏิบัติธรรมทาทไมคนเหล่านี้อาจจะไม่ตระหนักว่าในที่ตัวเองยังสบายดีอยู่นะมันก็เป็นเพราะเป็นว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยยังราบรื่นใครต่อใครที่แวดล้อมก็ยังเอาเอาใจหรือว่ายัางเชื่อฟังนะ แต่เมื่อก็ตามที่เกิดมีความผิดปกติขึ้นมากับชีวิตของตัวเช่นอาจจะเจ็บป่วยหรือว่าทรัพสมบัตินะสูญเสียไปหรือไม่ต้องอะไรนะเพียงแค่วางงานการล้มเหลวนะที่เคยสำเร็จมาทุกเรื่องทุกเรือทุกราวนี่มันก็เกิด อุปสรรคขึ้นมาล้มพังคือลงมาหรือว่าแฟนเนี่ยเกิดปันใจไปให้คนอื่นหรือว่าทิ้งตัวเองไปพอเจอเรื่องแบบนี้เข้าเนี่ยก็เสียศูนย์ทันทีนะทุกประทมเศร้าโศกนะอาจจะถึงกับตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นนะ ถึงตอนนั้นเนี่ยอาจจะอาจจะสายเกินไปนะที่จะทำอะไรได้แต่ที่จริงไม่ว่าคนเราเกิดวิกฤตกับชีวิตแค่ไหนเนี่ยมันไม่มีคำว่าสายนะสำหรับการแก้ไขแต่ว่าข้อสร์สมัก็คือว่าอย่าประมาทนะนะชีวิตของเราวันนี้ยังสุขสบายดีอยู่นะ ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้นะจะยังสุขสบายเหมือนวันนี้เพราะว่าวันนี้กับพรุ่งนี้มันไม่เหมือนกันนะแม้แต่สีของท้องฟ้านะหรือว่าภูมิอากาศออุณหภูมิก็ไม่เหมือนกันวันนี้เนี่ย ม, ม, มันมันมีเมฆครึ้มนะพรุ่งนี้ก็จะมีแสงแดดจ้า ชีวิตของเราวันนี้สุขก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะยังสุขเหมือนเดิมอะไรๆก็แปรเปลี่ยนไปได้ตัวเราอาจจะเหมือนเดิมแต่คนอื่นไม่เหมือนเดิมนวันนี้เขาเชื่อฟังเรานะเขาทําตามใจของเราวันพรุ่งนี้เขาอาจจะอขัดขืนต่อต้านนะหรือว่าปฏิเสธคําสั่งของเราก็ได้ วันนี้ร่างกายเรายังทำงานได้ปกตินะแต่ว่าพรุ่งนี้อวัยวะบางส่วนอาจจะเสียไปนะแค่เสียไปอย่างเดียวหรือว่าทำงานไม่ปกตินะแค่อย่างเดียวนี่ก็อ า, อาจจะทำให้ล้มป่วยหรือว่าถึงตายได้ถ้าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเผื่อใจไว้บ้างว่านะพรุ่งนี้ก็ อาจจะมีเรื่องพลิกผันอาจจะเจ็บป่วยอาจจะพัดพรากอาจจะสูญเสียหรือว่าชีวิตอาจจะพันผวนแล้วต้องถามตัวเองว่าเร า, เราพร้อมไหมาหากว่ามันเกิดแปรปวนขึ้นมาคนส่วนใหญ่ประมาทนะเพราะคิดว่าพรุ่งนี้ก็ยังเหมือนวันนี้นะ หรืออาจจะคิดต่อไปว่าเอออาจจะมีความขูกขรกบ้างแต่ว่าเอาอยู่นะอันนี้ก็อาจจะประมาทก็ได้เพราะว่าพอเกิดขึ้นจริงๆก็ทำใจไม่ได้นะตีโพยตีพายแต่ถ้าเราเผื่อใจไว้สักหน่อยว่าออวันหน้านะมันจะไม่เหมือนวันนี้วันนี้สุขพรุ่งนี้อาจจะทุกข์นะ วันนี้สบายพรุ่งนี้อาจจะเจ็บป่วยวันนี้มีกินมีใช้นะแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะอะลําบากนะเมื่อตระหนักเช่นนี้เนี่ยมันก็ต้องถามตัวแล้วเออเราทํำไมถึงจะเตรียมตัวนะรับมือกับมันให้การสะสมเงินทองเอาไว้นะอันนี้ก็ช่วยนะก็ช่วยได้ดีสะสมเงินทองเอาไว้ รับมือยามอ่าเจ็บไข้หรือว่ายามสูญเสียยามพลิกผันบางคนก็อาจจะไปทําประกันนะอันนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมอย่างหนึ่งนะแต่ว่าแค่นั้นไม่พอนะนอกจากเตรียมทรัพย์มันต้องเตรียมตัวหรือเตรียมใจด้วยนะการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นการเตรียมใจอย่างหนึ่งนะ ไม่ใช่ว่าจะต้องมีความทุกข์เสียก่อนนะ่ถึงจะมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะต้องอกหักหรือว่าสูญเสียคนรักหรือว่าป่วยเป็นมะเร็งซะ ก, ก่อนถึงมาปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะัชีวิตยังราบรื่นนะก็ควรที่จะมาปฏิบัติธรรมเพราะเหตุผลอย่างที่ว่ามาอะไรอะรก็ไม่แน่นะเตรียมตัวไว้ก่อนมันมีคำพูดว่ายาม สงบเราฝึกยามศึกเรารบนะอันนี้เป็นความคันสลาทหารในแง่หมายความว่าในขณที่ไม่มีศึกสงครามก็ต้องฝึกฝนเอาไว้ก่อนในยาปกติคือเวลาที่หมอสลาการฝึกฝนนั้นสําหการเตรียมตัวพวกเราไม่ใช่ทหารนะเราไม่เจอศึกสงครามที่เป็นอริตราชสัตรูก็จริงนะแต่ว่าเราต้องเจอสงครามชีวิตนะ สงครามชีวิตนี่มันก็หมายถึงว่าการที่ต้องเจอกับอุปสรรคที่อาจจะถาโถงเข้ามาอาจจะมาแค่ครั้งสองครั้งหรืออาจจะมาเป็นกองทัพเลยก็ได้ในขณะที่มันยังไม่มานะเราก็ต้องนะใช้โอกาสที่มีอยู่เนี่ยนะใช้เวลาที่มันสงบราบรื่นเนี่ยฝึกฝนเอาไว้ไม่ใช่นั่งเล่นนอนเล่นไม่ใช่เสพสุขนะหรือว่า ใช้ชีวิตไปตามปกติธรรมดาอย่างที่เราได้พิจารณานะีอภินิหารปฏิเวสครู่เนี่ยนะถึงแม้เราอาจจะยังไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะยังไม่แก่และแน่นอนยังไม่ตายนะแต่ก็ต้องระลึกอยู่เสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลวมพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงเพิ่นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงเพิ่นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นอ่ถ้าคิดเผื่อตรงนี้ไว้บ้างนะหรือถ้าเราลึกถึงอยู่เสมอนะมันก็จะทำให้เราขนขวายในการที่จะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจนะเตรียมตัวเนี่ยนะ อาจจะมานอกจากการาทาบุญทกุศลนอกจากการทำประกันภัยแล้วนะบางคนก็อาจจะนึกถึงการทำบุญทากุศล น, นะใส่บาตรทุกวันนะหรือว่ามาถวายสังฆทานเข้าพรรษากาถ็ถวายเทียนพรรษานะเก้าวัดนะสงกรานต์นะหรือว่าปีใหม่ก็ทำบุญนะ ภ้าพันาวันศีลวันพระก็อาจจะจำศีลหรือว่าถือศีลอุโบสถนะอันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่พอนะการให้ทานการรักษาศีลเราเรียกลมๆวงว่าการทำดีทำดีนี่ยังไม่พอนะมันต้องฝึกใจด้วยคำสองของพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งมี แปดหมื่สีพระธรรมบขันธ์เยอะแยะไปหมดนะถ้าจะสรุปก็มีสามนะก็คือไม่ทำความชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสหรือว่าฝึกจิตให้ขาวรอบนะคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าพู้เจ้าสอนแค่สองนะก็คือละชั่วทำดีก็เลยคิดว่าพุทธศาสนาก็เหมือนกับศาสนาอื่นนะละชั่วทำดีแต่ที่จริงยังมีข้อสามนะก็คือว่าการ ทำระจิตของตนให้ขาวรอบหรือการฝึกจิตของตัวให้ผ่องแผ้วนะถ้ามัวแต่ทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ไม่ฝึกจิตนี่ความทุกข์อา จ, จะลดน้อยลงนะน้อยกว่าคนที่ไม่ให้ทานหรือว่าไม่รักษาศีลหรือไม่ทําความดีแต่ว่าความดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นหลอกประกันว่าเราจะ ปลอดทุกได้ร้อยเปอร์เซนพราะคนทำดีหรือคนดีก็มีความทุกข์ของเขานะอาจจะไม่ได้ทุกข์เพราะเมาไม่ได้ทุกข์เพราะว่าไปาเจ้าชู้นะแต่ทุกข์เพราะว่าทำดีแล้วไม่มีคนเห็นทำดีแต่ว่าเจ้านายเขานะไม่ยอมรับนะหรือทำดีแต่มีคนแต่ถูกคนดินทานะ ทำดีแค่ไหนก็ต้องมีคนนินทานะทำดีแค่ไหนก็มีคนปองร้ายขนาดผู้ตเจานี่ก็ยังมีคนรอบเอาชีวิตนะรอบฆ่านะไม่ใช่แค่ใส่ร้ายนะแต่ว่ารอบฆ่าเลยทีเดียวทั้งที่พระองค์ก็ไม่เคยพูดร้ายหรือไม่เคยทำร้ายใครแต่สิ่งที่พระองค์ทำอาจจะทำให้บางคนเสียผลประโยชน์นะอันนี้เขาก็เลยมุ่งร้ายหมายปองชีวิต เราเนี่ยพวกเราเป็นปุตุชนคนธรรมดานะก็ย่อมมีคนรักแล้วก็มีคนชังนะมีคนไม่เข้าใจแม้แม้จะทำความดีแค่ไหนนะก็มีคนนะไม่เห็นด้วยมีคนเข้าใจผิดฉั้นทำดีแต่ว่าไม่ฝึกใจไว้เลยเนี่ยพอมีคนนินทาพอมีคนใส่ร้ายก็นะย่ำแย่เลยเสียศูนย์ไปเลยนะ โกโรธโมโหอารวานะทําดีแล้วนี่ก็ยังต้องเจ็บต้องป่วยนะไม่ใช่ว่าทําดีแล้วจะไม่เจ็บไม่ป่วยนะให้บุญทําบุญให้ทานแค่ไหนก็ยังต้องนะเจ็บต้องป่วยไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วยังไงก็ต้องเจอความสูญเสียนะอย่างต่ําๆก็พ่อแม่นะอะหรือว่าหนักกว่า น, นั้นคือลูก ลูกก็ควรจะไปที่หลังพ่อแม่นะแต่ว่าบางครั้งนะลูกก็ไปก่อนพ่อแม่คนรักอีกต่างหากนะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะการทำความดียังไม่มากพอนะที่จะช่วยให้เราเนี่ยจิตใจเป็นปกติได้ไม่ทุกข์เมื่อเกิดเหตุการเหล่านั้นแต่สิ่งที่จะช่วยได้คือการฝึกจิตนะฝึกจิตให้ ให้มั่นคงนะฝึกจิตให้ไม่หวั่นไหวในยานที่เจอเหตุการณ์เหล่านี้สามารถจะมีภูมิคุ้มกันนะรักษาใจไม่ให้ใหทุกข์ได้เมื่อเจอพายุกระหนำ่ำนะทำได้นะไม่ใช่ว่าเราจ ะ, จะต้องไม่ใช่ว่าจะต้องให้ทุกอย่างเรียบร้อยชีวิตเลิศเลอเพอร์เฟกนะเราถึงจะไม่ทุกข์ ถึงแม้ชีวิตจะผันผวนป่วนแปรใจก็ไม่ทุกได้นะทุกใจเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่านะมีใครทําอะไรเราหรือว่ามีอุปสรรคมีความลําบากนะถึงแม้ว่าทุกอย่างราบรื่นปกติก็ทุกใจได้เพราะว่ามันยังดีไม่พอเงินเดือนยังไม่มากพอขนาดเป็น พอ อ, อเป็นผู้จัด ก, การก็ยังทุกข์เพราะว่าอยากเป็นผู้จัดการในบริษัทที่ดังกว่าเด่นกว่าอยากมีรถประจําตําแหน่งอยากมีรถใหญ่กว่าอยากมีเงินเดินมากกว่าอทุกข์ใจนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอว่าอะไรต่ออะไรจะมีปัญหาหรือเปล่าแม้ชีวิตปกติก็ยังทุกข์ใจในทางตรงข้ามแม้ชีวิตไม่ปกติแต่ใจสามารถจะสุขได้น ที่จริงถ้าเราฝึกใจดีนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยใจเราก็เป็นปกติได้นะแล้วเราก็ต้องไม่ไปไม่คงปฏิเสธไม่ได้นะชีวิตของเรานี่มันแม้จะไม่เจ็บไม่ป่วยแม้จะไม่เกิดความอุปสรรคต่างๆที่รุนแรงแต่มันก็มีสิ่งที่คอยจะขัดอกขัดใจอยู่เป็นประจำนะสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ถ้าเราวางใจไม่เป็นนะมันก็จะทำให้เกิดผลเสียหายตามมาได้มากมายามีเรื่องเล่าว่านะคร อ, อบครัวหนึ่งนะก็มีพ่อแม่แล้วก็ลูกลูกนันก็เป็นลูกสาวอายุประมาณสิบขวบเช้า ว, วันหนึ่งนะก็มากินข้าวด้วยกันก่อนจะไปทำงาน คุยกันอยู่ดีๆลูกสาวเนี่ยเกิดทำแก้วน้ำเนี่ยแก้วน้ำตกตกใส่พื้นแตกนะพ่อก็โมโหนะก็ว่าลูกลูกว่าลูกอย่างแรงเลยลูกก็ร้องไห้เลยแม่ก็เลยต่อว่าสามีสามีก็เลยมาทะเลาะกับภรรยานะพ่อทะเลาะกับแม่ มีปากเสียงกันอยู่พักใหญ่ส่วนลูกก็ร้องไห้อยู่นั่นแหละบอกกัว่ามารู้ตัวเข้าวก็มันเลยเวลาที่จะพาลูกไปโรงเรียนเลยเวลาที่จะขับรถไปทํางานแล้วพ่อก็เลยรีบนะเก็บข้าวเก็บของใส่ใส่กระเป๋านะเอกสารต่างๆก็ที่ยังวางกองอยู่บนโต๊ะก็ต้องรีบเก็บนะใส่เข้ากระ เ, เป๋าแล้วก็รีบพาลูก ไปโรงเรียนกรุงเทพเนี่ยถ้าออกช้าสักห้านาทีเนี่ยนะมันก็ทําให้ล่าช้าไปยาวเลยนะรถติดยาวเป็นเป็นกิโลเลยนะบอกว่าไปส่งลูกชา้าลูกก็ถูกครูลงโทษเพอโรงเรียนนี้ลงเป็นโรงเรียนที่เข้มงวดส่วนตัวเองก็ไปที่ทํางานชา้าเจ้านายเห็นเจ้านายก็ขอเมนเลยนะเพราะว่า กำลังเช้านะั้นมีประชุมสําคัญพอถึงเวลาประชุมลูกค้านะก็มามารอตัวเองเนี่ยจะต้องไปพรีเซนต์นะเป็นจะทำบริษัทโฆษณาจะต้องไปพรีเซนต์นะผลงานนะแผนการรณรงค์โฆษณาพรากว่าลืมเอาเอกาสารสําคัญมาก็เลยการประชุมก็เลยล้มเหลวเจ้านายก็เลยต่อว่าเขาก็เลยหัวเสีย วันนั้นเนี่ยก็เลยไม่เป็นอันทํางานเลยนะหงุดหงิดตลอดเพื่อนนี่มาก็าเศราย่อยแย่ก็ด่าเพื่อนก็ทะเลาะกันก็เป็นว่าวันนั้นเนี่ยทํางานไม่ได้เลยเลิกงานก็หัวเสียนะขับรถปรากฏว่าเกิดเฉี่ยวกันขึ้นมาก็เลยต้องรอประกันนะรอประกันก็เสียเวลาไปเป็นชั่วโมงนะรถก็ รถตัวเองก็แย่รถของคนหนึ่งกนะ็เสียหายไปเยอะนะกว่าจะกลับถึงบ้านก็ค่ำพอถึงบ้านเห็นหน้าภรรยานะก็ไวยวายใส่ภรรยาก็เลยทะเลาะกันอีกรอบหนึ่งนะลูกก็ทนไม่ไหวก็รีบกลับเข้าห้องนกร้องไห้เป็นว่าทั้งทั้งวันนะคืนนั้นเนี่ยไม่มีใครนอนหลับอย่างมีความสุขเลย คราวนี้เกิดว่าเราเอาลองพิจารณาดูดีๆนะว่าเนี่ยสหรอกสายตาคนทั่วไปก็มองว่าเนี้ยวันเนี้ยเป็นวันซวยของผู้ชายคนนี้นะเพราะว่ามีแต่เรื่องเดือดร้อนตลอดนะเป็นวันซวยถามว่ามันเริ่มต้นตรงไหนนะเราก็อาจจะคิดว่าเออมันเริ่มต้นตรงที่ว่าลูกเนี่ยทำก้าวน้ำตกนะ พอทำแก้วน้ำตกก็เลยเกิดความซวยต่อเนื่องมาเป็นลูกโซ่แต่ที่จริงเนี่ยลูกทำแก้วน้ำตกเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหานะจุดเริ่มต้นีอยู่ตรงที่ว่าพ่อเนี่ยห้ามใจไม่อยู่พ่อนี่โกโรธนะแล้วก็ว่าลูกมันก็เลยทำให้เกิดการทะเลาะ ก, กันในบ้าน แต่สมมุติว่าเราลองอสมมุติหมายว่าพอลูกเนี่ยทำาก้าน้ำตกเนี่ยแล้วพ่อเนี่ยนะมีสติใจเย็นนะอาจจะไม่พอใจแต่ว่ า, าสะกดอารมณ์ไว้ได้หรือว่ารู้ทันว่าใจกำลังโกรธนะแล้วก็ทำให้ใจปกติได้ก็ไม่มีการต่อว่าลูก อาจจะมีการแค่แนะนำลูกให้กินน้าอย่างกินอาหารอย่างระมัดระวังถือแก้วน้าก็ให้มีสติถ้าแนะนำแบบนี้เนี่ยนะลูกก็ไม่ร้องไห้ภรรยาก็ไม่มาทะเลาะ ก, กับตัวเองถึงเวลานะจะพาลูกไปโรงเรียนถึงเวลาไปทำงานก็เดินไปเก็บเอกสารนะบนโต๊ะทำงานเนื่องจากไม่เร่งรีบนะก็เลยเก็บได้ครบถ้วน ได้เวลาก็พาลูกไปโรงเรียนก็ถึงโรงเรียนตรงเวลาลูกก็ไม่ต้องถูกครูว่าถูกครูลงโทษส่วนตัวเองนี่ก็สามารถจะไปถึงที่ทํางานได้ทันเวลาถึงเวลาประชุมกับลูกค้านะก็เอกสารที่เตรียมมาก็ครบนะการประชุมก็สำเร็จนะเจ้านายก็ชมตัวเองก็ก็พลอยยินดีไปด้วย ตอนบ่ายทํางานก็ทํางานได้อย่างมีความสุขนะเพื่อนมาหยอกล้อก็หยอกล้อกลับนะถึงเวลาเลิกงานก็ขับรถนะขับรถได้ด้วยใจที่สบายก็ไม่เกิดเหตุการณ์เฉียวชนนะถึงบ้านตรงเวลานะถึงเวลากินข้าวก็คุยกับลูกคุยกับเมียได้ลานะบรื่นถึงเวลาเข้านอนก็นอนกันอย่างมีความสุข ก็กลายเป็นวันดีขึ้นมานะให้วันดีกับวันวันร้ายนี่มันต่างกันตรงไหนนะมันไม่ได้ต่างกันที่ว่าลูกทำาก้รน้ำตกหรือไม่นะแต่อยู่ที่ว่าพ่อเนี่ยนะรับมืออย่างไรนะเมื่อลูกทำาก้รน้ำตกนะถ้าลูกไม่ถ้าพ่อไม่มีสตินะวันนั้นก็คือวันซวยทั้งวันอย่างที่เล่า แต่ถ้าวันนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยขณะนั้นเนี่ยพ่อมีสติวันนั้นก็กลายเป็นวันดีเนี่ย่นเราลองพิจารณาดูนะว่าวันวันซวยกับวันดีเนี่ยนะมนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเรารับมือกับมันอย่างไรถ้าเรารับมือไม่ถูกนะคือไม่มีสติเหตุการณ์เล็กๆ ก, ก็จะเป็นชนวน พาไปสู่เหตุการณ์ที่วุ่นวายหรือว่าเหตุการณ์ที่แย่ๆตามมาอีกมากมายแค่แก้แค่ลูกทําการน้ําตกเนี่ยนะโอ้มันพาทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายแต่ก็ยังดีนะที่ว่าแค่รถเฉียวชนไม่ถึงกับรถพลิกควนะ่ําเนาะหรือว่ารถชนกันนะอันน่าอายถึงตายได้หรือพิกการนะถ้าถึงแม่ลูกจะทําการน้ําตกนะแต่ถ้าพ่อมีสตินะ มันก็ทําให้วันนั้นกลายเป็นวันดีได้เพราะวันร้ายหรือวันดีเนี่ยนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าโดยที่ว่าเรารับมือกับมันอย่างไรและเรารับมือกับมันอย่างไรขึ้นอยู่าเราทําใจอย่างไรด้วยหลายคนเนี่ยอยากให้วันทุกวันเป็นวันดีก็ไปสวดมนต์นะไปทําบุญอธิษฐานขอให้ไม่มีอุปสรรคไม่มีความยากลาบากทุกอย่างราบรื่นงานการสําเร็จนะ แต่ไม่ว่าเราอธิษฐานยังไงก็ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าวันแต่ละวันเนี่ยมันก็ย่อมมีเรื่องคลุกคลักเป็นธรรมดาอยู่ที่ว่าคลุกคลักมากหรือคลุกคลักน้อยที่จริงลูกทําการน้ําตกก็เป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยนะแต่ถ้าไม่มีสติเสร็จแล้วเนี่ยนั่นคือวันร้ายกําลังจะตามมาแต่ถึงแม้มีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นแล้วมีสตินะ วันนั้นก็อาจจะเป็นวันดีก็ได้นะนั้นจะว่าไปแล้ววันร้ายหรือวันดีอยู่ที่เรานะอยู่ที่เรามันอยู่ที่การเลือกของเราว่าเราเลือกจะมีสติรับมือกับเหตุการณ์หรือว่าใช้อารมณ์เอาความหลงนะในการรับมือกับเหตุการณ์ถ้าเราใช้ความหลงนะแม้เหตุเล็กๆก็กลายปเป็นเรื่องใหญ่ได้ แต่ถ้าเราใช้สติรับมือเหตุการณ์ใหญ่ๆก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กหรืออาจากลายเป็นดีก็ได้อย่างอย่างบางคนเนี่ยนะเป็นมะเร็งนะแต่ว่าเขารับมือกับมันด้วยสติด้วยปัญญานะอาจจะพิจารณาว่าเออมันเป็นธรรมดานะคนเราเกิดมาก็ต้องเจ็บต้องป่วยอย่าไปคิดว่าทําไมจะเป็นมะเร็งหลายคนมักจะบ่นว่าโอ้ยทำไมถึงต้องเกิดขึ้นกับฉัน นะทำไมต้องเป็นชั้นนะแต่ถ้าตั้งสติสักหน่อยก็อาจจะได้คิดว่าเออทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้เพราะว่าใครๆเขก็เป็นกันเราทุกคนเวลานี้เนี่ยรู้แล้วแต่มีเพื่อนที่เป็นมะเร็งรู้แล้วแต่มีญาติที่เป็นมะเร็งหรือบางทีคนที่เป็นมะเร็งก็อยู่ใกล้ตัวเราอยู่ในบ้านเดียวกับเรานั่นแหละคือพ่อแม่คนหนึ่งเขาก็เป็นได้ทำไมเราจะเป็นไม่ได้หรือว่าเตรียมใจไปอยู่เสมอว่าเออเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาจะลดเพิ่มความเจ็บป่วยไปไม่ได้ นะเตรียมใจไว้อยู่เสมอนะพอมันเกิดขึ้นจริงก็มีสตินะล้วก็สามารถจะท่งจิตสรงใจรับมือกับมันแทนที่จะอดครวนนะหัวเสียตีอกชกหัวกินไม่ได้นอนไม่หลับซึ่งมีแต่ทำให้โรคมันลุลลลกลามมากขึ้นนะล้วก็ถือว่าเนี่ยเขามาสอนทำให้กับเราแต่บางคนก็ทำใจไม่ได้แต่หลังจาก ปูกปั้กัมาสักพักนะก็ยอมรับมันได้ไม่ใช่ยอมรับเอลาป่านะขอบคุณด้วยนะขอบคุณที่เป็นมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งนะเพราะมะเร็งทําให้ได้มาพบธรรมะมะเร็งได้รรทำมะทําให้เห็นความรักที่บริสุทธิ์ของพ่อแม่มะเร็งทําให้ได้พบ ว, ว่านะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจนะอันนี้เพราะว่ามะเร็งมันผลักให้เขาหาธรรมะอันนี้เรื่องร้ายก็กลายเป็นดีได้นะ เพราะว่านะเกิดสติเกิดปัญญาหรือว่ามีสติมีปัญญาในการรับมือกับเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการนะต้องการให้วันของเราของของเราแต่ลอวนเป็นวันดีนะไม่ใช่วันร้ายเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือการฝึกจิตเอาไว้ให้การทําบุญทำกุศลนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะแต่ว่าอย่าไปอย่าไปอยไ ป, อ ย, ไปอย่าไปหวังพึ่งบุญกุศล ในแง่ที่ว่าจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยนะราบรื่นนะทําบุญทํากุศลอย่างไงมันก็ต้องมีอุปสรรคมีเรื่องครุกคลั ก, ลกนะอย่างน้อยน้อยความเจ็บความป่วยความพัดพลาดเนี่ยความสูญเสียก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นวันยังค่ําไม่ว่าเราจะทําความดีแค่ไหนแต่ที่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราพร้อมไหมเราฝึกใจมาดีหรื อ, อยังตรงนี้ต้องอาศัยการภาวนาต้องอาศัย นะการทำสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะโดยเพราะการเจริญสตินี่แหละนะที่จะทำให้เราสามารถจะรับมือกับมันแล้วก็สามารถเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้นะวันดีหรือวันร้ายอยู่ที่เรานะอยู่ที่เราเลือกเราเลือกรับมือกับมันด้วยสติด้วยปัญญาหรือว่ารับมือกับมันด้วยความหลงด้วยอารมณ์นะอันนี้เราเลือกได้